จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะัสวิะวันที่สาธุชนญาติโยม ได้ตั้งใจมาศึกษามาร่มเรียนวิธีดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่ความสุขและความเจริญเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหนือนทางที่จะพาให้สามโลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร ทางนี้เรียกว่าทางสายกลางหรือทางที่มีองค์8ประการมักที่มีองค์8มักแปลว่าทางองค์ประกอบของทางนี้มีอยู่แข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิข้อที่สองคือ ความคิดที่ถูกต้องสัมมาสังกโปข้อที่สการกระทำที่ถูกต้องสัมมากรรมโตข้อที่สการพูดที่ถูกต้องสัมมาวาจาข้อที่หอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชิโวข้อที่6ความเพียรที่ถูกต้องสัมมาวายาโมข้อที่7ด การละลกรู้ที่ถูกต้องสัมมาสติและข้อที่8การตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องสัมมาสมาธินี่คือมากที่นิอมแปลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทได้เจริญกันให้มากๆเพราะจะนานไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างไรจึงเห็นว่าถูกต้องก็ต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริง ตายแล้วต้องไปเกิดมีจริงการสิ้นสุดด้วยการยุติของการเวียนว่ายกายเกิดก็มีจริงนี่คือความเห็นที่พุทธศาสนิกชนควรจะเริญนอยู่บ่อยๆเพราะเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองส่วนความเห็นที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ตรงกับความจริงก็คือ บาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วศูญ น, นี่เป็นความเห็นของผู้ที่หูหนวกตาบอดความเห็นของผู้ที่ตาดีหู ด, ดีเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านจะเห็นเหมือนกันหมดท่านจะเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริง ตามชิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็ここมีจริงถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีความคิดคือสัมมาสังโปรที่ถูกต้องเราจะคิดทำบุญเพราะเราอยากจะไปสวรรค์กันเราจะคิดละบาเพราะเราไม่อยากไปนรกกันเราจะคิดชำระจาจให้สะอาดบรยสุท เพราะเราไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราอยากจะไปพระนิพพานเราก็ต้องชาระกายวาจาใจของเราให้สะอาดชาระกายวาจาด้วยสีนคือสัมมากรรมโตสัมมาวายามโมและสัมมาอาชิวสชำระใจให้สะอาดบดยสุดด้วยด้วยสัมมาสติ และสัมมาสมาธิและสัมมาวายาโม น, นี่คือทางที่พู้เจ้าทรงนำพาสอนให้พวกเราปฏิบัติกันสินก็คือสัมมารกรรมโตคือการกระทาที่ถูกต้องได้แก่อะไรก็ได้แก่หนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ตอดชีวิตสองการไม่รักทรัพย์สามการไม่ประพฤติผิดประเวณี สี่การไม่เสพสรายยาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคร้านนี่คือการกระทาที่ไม่ควรจะกระทา ห, หรือควรจะละคือคือควรจะละบาปถ้าคือไม่ทํไม่ทบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติขืนตัวเองนี้ไม่เสพสุลายามื่ไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกลียดครางนี่คือเรียกว่าศีนเรียกว่าการกระทําทางกายที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตการกระทําทางวาจาที่ถูกต้องก็คือไม่พูดบทไม่พูดคําหยาไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูด สเสียดยุยมให้เกิดความแตกสามะคีนี่เป็นคำพูดที่ไม่ดีเป็นคำพูดที่ทำให้ผู้พูดนั้นไม่สดไม่เจริญเราต้องละเว้นจากการกระพูดเหล่านี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมาอาชีวก็คือให้ละเว้นจากอาชีพที่สร้างความทุกข์สร้างความหายณนะ ให้แก่ผู้อื่นเช่นเลี้ยเช่นค้าขายสิ่งที่มีชีวิตค้าขายเป็ดไก่วัวควายที่เขาจะเอาไปฆ่าแล้วเอาไปขายในตลาดละเว้นจากการค้ายาเสพติดค้าสิ่งมึนเมาต่างๆเช่นสุราละเว้นจากการค้าอาวุธต่างๆเพื่อที่จะเอาไป ทำลายชีวิตของผู้อื่นนี่เป็นอาชีพที่ไม่พึงกระทงเรียกว่าเป็นวิจฉาชีพอาชีพอื่นที่เป็นสา ม, มาชีพก็มีเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแม่ครัวทำเป็นผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเรือนเ <c oughs> หล่านี้เป็นสา ม, มาชีพ เพราะว่าทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นนั่นเองเป็นหมอก็ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นแม่ครัวก็ทำกับข้าวให้รับประทานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้อยู่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะได้ทำเสื้อผ้าให้คนอื่นได้สวมใส่นี่คือสัมมาชีวะอาชีพที่ถูกต้อง แล้วก็เราก็มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบด้วยสัมมาสติการเลิกรู้ชอบด้วยสัมมาสมาธิการตั้งจิตให้ให้ชอบคือตั้งอยู่ในความสงบนี่คือสัมมาการการทำใจการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ต้องมีสัมมาวายโมโหคือมีความภาคเคลียนที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่ทรงสอนให้เราเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้มีความ ล, ลึกรู้อยู่เรื่อยๆให้ละกลึกรู้อยู่เรื่องอะไรเรียกว่าสัมมาสติก็ให้ ล, ลึกรู้อยู่กับคุตโต<ม>ให้ ล, ลึกรู้อยู่กับร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างของร่างกายอย่าไปละลึกรู้อยู่กับเงินทองอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการระลึกรู้ที่ถูกต้องอย่าไปละลึกรู้อยู่กับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นทางที่จะทําให้จิตใจเศร้าหมองให้ละลึกรู้อยู่กับพุทโธหรือระลึกรู้อยู่กับการทํางานของร่างกาย ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าดูร่างกายอยู่กับร่างกายไปอย่าไปอยู่ที่อื่นอย่าไปอยู่ที่อดีตที่อนาคตให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็มีอยู่มีร่างกายอยู่อย่างเดียวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นก็ให้ตั้งสติแล้วลึกรู้อยู่ที่ร่างกายให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนอยู่ ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่กำลังจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้มานั่งกาลังจะยืนกำลังจะเดินกำลังจะไปทำธุระภารกิจในห้องน้ำไปอาบน้ำไปล้างหน้าล้างตาแปลงฟันก็ให้รู้อยู่กับทุกออเรยยบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายเรียกว่ามีกายกตาสติสติก็คือการระลึกรู้ กายะก็คือกายให้ระลึกรู้อยู่ที่กายอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการถูกใจไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยอย่าททำอะไรแล้วคิดไปพร้อมๆกันเช่นอาบน้ำไปก็คิดถึงงานที่จะทำคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้เลือกคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่สัมมาสติเรียกว่าไม่มีสติให้ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน ก็คือให้เลือล้อยๆอยู่กับร่างกายถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธช่วยอี ก, อ, กอีกส่วนหนึ่งทำอะไรไปก็พุทโธไปอย่าให้ไปคิดเรื่องต่างๆเป็นอันขาดเพราะความคิดนี้99เป็นเป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความเศร้าหมอง เป็นไปเพื่อความวุ่นวายใจเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคิดในทางที่ดีที่เรียกว่าทางของปัญญาขั้นต้นต้องหยุดความคิดของกิเลสตัณหาก่อนใจของเราหนี่9 9จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาคิดไปในทางความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสคิดไปในทางความอยากมีอยากเป็น คิดไปในทางความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความคิดเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่นบัวหงุดหงิดลาคางใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายวิตกกังวลต่างกับเรื่องราวต่างๆหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนเพื่อใจของเราจะได้ว่าใจของเราจะได้สบายใจของเราจะได้เย็น ใจของเราจะได้มีความสุขนี่คือเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจาวันในเวลาที่เราต้องทำภารกิจต่างๆพอเรามีเวลาว่างจากภารกิจแล้วเราก็ต้องหาที่สงบหาที่ไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็ถ้าใช้การบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธต่อไป ถ้าใช้ร่างกายเฝ้าดูร่างกายก็ให้ดูลมหายใจต่อน่่งกายนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องดูร่างกายให้ดูลมหายใจแทนลมหายใจเข้าออกให้ผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พุทธหรือจะใช้พุทโธไปก็ได้ตามใจดูลมไปก็ได้ แต่ครัวแนวอย่างใดอย่างหนึ่งจะง่ายกว่าถ้าจะเอาพุทธโธก็พุทธโธไปเลยพุทธโธนี้จะเหมาะกับเวลามีความคิดมากคิดไม่หยุดไม่หย่อนก็ใช้พุทธโธสวนไปหรือจะใช้บทสวดมนต์ไปแทนก็ได้สวดอรหังสัมมาสวัสดขาโตสุปฏิปันโนไปเพื่อยับยั้งความคิดต่างๆ สวดไปจกนกระทั่งรู้สึกไม่อยากจะคิดแล้วเราค่อยหยุดสวดแล้วเราก็มาดูลมต่อถ้าดูลมได้โดยไม่ไปไหนไม่ไปคิดเรื่องอะไรก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานลมก็จะพาใจเข้าสู่ความสงบเวลาใจสงบนี้ก็เหมือนเวลาดิ่งลงไปตกหลุมตกบ่อตกเหววุบลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็จะสบาย เย็นมีความสุขมีปิติขนลูกซาน้ำตาไหลมีแสงมีอะไรต่างๆแต่จะมีเพียงปั๊บเดียวแล้วก็จะหายไปแล้วก็เหลือแต่ความว่าความสงบเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ตัวรู้ผู้รู้นี่คือสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบไม่คิดปรุงแต่ถ้าจิตรวมแล้วไปรับรู้เรื่องต่างๆ ไปรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเทวบุตรเรื่องเทวดาอย่างนี้ไม่เป็นสมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วอย่าไปเห็นไม่ควรเห็นถ้าเห็นก็อย่าไปตามรู้ให้ดึงใจกลับมาหาหาใจหามามาหาตัวรู้มาหาความว่าอย่าไปตามรู้เพราะการตามรู้จะทําให้ ใจนี้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแทนที่จะดับเนื้อุติกิเลสตัณหาก็กลับไปปลดกกิเลสตัณหาขึ้นมาก็วาเวลาเห็นอะไรสวยงามก็อยากจะเห็นต่อเห็นอะไรไม่สวยงามน่ากลัวก็จะไม่อยากเห็นไม่อยากดูอันนี้ไม่ดีควรจะให้ใจสงบว่าไม่มีความคิดตุงแตก เป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีโลคไม่มีโกรธเพราะเป็นการกดไว้กดกิเลสตัณหาไว้ทั้งให้กิเลสตัณหาไม่สามารถทํางานได้ทําให้กิเลสตัณหาอ่อนกําลังลงไปเพื่อที่จะได้ให้ปัญญาตัดเนื้อค่ากิเลสในลําดับต่อไปได้ ถ้าอยู่ในมิจฉาสมาธิมิสมาธิมีรู้เรื่องราวต่างๆพอออกจากสมาธิแบบนั้นแล้วกิเลสจะมีกําลังมากแทนที่จะมีกําลังน้อยกับมีกําลังมากแล้วก็จะไม่สามารถใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้แต่ถ้าเป็นสมาธิที่สงบนิ่งสบายเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่มี โ, โรคปวดหลงเวลาออกมา กิเลสจะอ่อนกำลังก็จะทำให้ปัญญาสามารถฆ่ากิเลสได้นี่คือสัมมาสมาธิคือตั้งอยู่ในความสงบอยู่ในความว่างอยู่ในความเป็นอุเบกขาแล้วพอออกมาเราก็จะได้เจริญสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบเห็นอะไรถึงเรียกว่าเห็นชอบในขั้นนี้ ในคั้นนี้ก็ต้องเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากความไม่สงบของใจเกิดจากความอยากการจะทำใจให้สงบให้ไม่ทุกข์ได้ก็ต้องหยุดความอยากเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิพอเรามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิแล้วมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เราจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากเป็นอะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดื่มไม่อยากรับประทานถ้าจะดื่มหรือจะรับประทานก็ดื่มเป็นเวลาดื่มตามความต้องการของร่างกายรับประทานอาหารก็รับประทานเหมือนรับประทานยาไม่ได้รับประทานด้วยความอยาก ถ้ามีมรักแล้วใจจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่อาหารเครื่องดื่มก็ไม่อยากแต่ที่ต้องดื่มต้องรับประทานก็เพราะว่ายัางต้องดูแลรักษาร่างกายไปแต่ใจไม่ได้อยากกับอาหารแล้วไม่ได้อยากกับเครื่องดื่มต่างๆแล้วเพราะใจอิ่มแล้วใจพอแล้วใจมีความสุขเต็มที่แล้วไม่หิวกับอะไรแล้วนั่นเอง นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญมรรคที่มีองค์แคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความคิดชอบสัมมากรรมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิโวอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพี่ยงชอบสัมมาสติความระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิ าตั้งมั่นของจิตชอบนี่คือมรรคที่มีองค์แปที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานที่เป็นมล ม, มสุขที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ไม่มีวันหมดสิ้น เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองเมื่อใจมีความสุขความสุขนั้นก็จะไม่หมดไปจากใจถ้าเป็นใจที่เกิดจากถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการชาระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจกิเลสตัณหานี้เท่านั้นเป็นผู้สร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบให้แก่ใจถ้าเรายังทำตามกิเลสตัณหาอยู่เราก็ยังจะต้อง ทุกต่อไปใจของเราก็จะว้าวุ่นขุ่นมัวต่อไปเวลาอยากได้อะไรก็งุนหงิดลำคาญใจเวลาได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มาต้องคอยมาเฝ้ามาดูแลมารักษามาวิตกกังวลเพราะสิ่งที่เราได้มานี้มันไม่เที่ยมนั่นเองมันไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราไม่สามารถสั่งให้มัน เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปเช่นร่างกายของเราเราจะไปสั่งให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเรามีมรรคแบเราก็จะทำใจได้เราจะปล่อยวางความเจ็บของร่างกายได้ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยก็เจ็บไปเราห้ามเขาไม่ได้ แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าเราไม่ไปหยากให้ร่างกายหายเจ็บหรือไปอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บนี่คือวิธีสร้างความสุขให้แก่ใจของเราถ้าเรามีความสุขใจแล้วความทุกข์ของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะความทุกข์ของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้ มีน้ำหนักเพียง 10% เซ์ท่านั้นเองแต่ความสุขของใจนี้มีน้ำหนัก 90% ซนด้วยกันดังนั้นความเจ็บของร่างกายก็จะไม่มีผลอะไรต่อจิตใจใจจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเวลาร่างกายท่านเจ็บหรือร่างกายท่านไปตายไปนี้ ท่านไม่เดือดร้อนเลยเพราะใจของท่านมีความสุขอยู่ 90% ด้วยกันส่วนร่างกายของท่านก็มีความทุกเพียง 10% เท่านั้นเองนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดจากการที่เราเจริญมั่งแกันใจของเราจะมีความสุข 90% ตลอดเวลาส่วนความทุกข์ของร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากความแก่จากความเจ็บจากความตาย จากการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดจากการอดอยากขาดแคลนจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะมีน้ำหนักเพียง 10% เเซท่านั้นนี่และคืออำนาจของมัก8แปดอำนาจของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ช่วยปลดปล่อความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมาเป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันนี้ ระยะเวลาก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วยังมีประสิทธิภาพยังมีอนุภาพเหมือนในสมัยพระพุทธการทุกประการไม่มีการาย่นเยาะรือนด้อยลงไปเลยทำอะไรถ้าในสมัยพระพุทธการจเจริญมากแปดแล้วได้ผลอย่างไรสมัยนี้จเจริญมากแปก็จะได้ผลอย่างนั้น แม้ผู้ที่เจริญมรรคแปดก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นนักบวชก็เจริญได้เป็นฆราวาสญาติโยมก็เจริญได้เป็นหญิงก็เจริญได้เป็นชายก็เจริญได้เป็นเด็กเป็นเด็กก็เจริญได้เป็นผู้ใหญ่ก็เจริญได้เพราะว่ามรรคแปดนี้ไม่ได้สมนิกสิทธ์ไว้ให้กับนักบวชเพียงคู้เดียว ียงแต่นักบวชนี้เท่านั้นที่มีโอกาสที่จะเจริญมากแปดได้มากกว่าผู้อื่นเพราะนักบวชไม่ต้องมีอาชีพไม่ต้องไปทำมานหากินถ้าเป็นคารวะต้องไปทำมาหากิ น, น, าาาาา ก, นก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาเจริญมากแปเท่ากับนักบวชผลจึงช้ากว่าแต่ก็ยังปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้มีคาราะญาติโยมบางคนที่บรรลุ มักผลนิพานได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไดบรรลุเป็นพระสติกานาคามีได้เป็นบรรลุพระอนาคามีได้บรรลุพระอาหารหันต์ได้แต่จะมีจํานวนน้อยกว่านักบวชเพราะนักบวชนี้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นมีเวลาปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับจึงบรรลุกันได้ เร็วกว่าและมีมากกว่าส่วนคารวะญาติโยนี้เป็นเหมือนนักปฏิบัติมือสมัครเล่นเพราะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ปฏิบัติได้ก็ช่วงวันหยุดวันพระหรือวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆผู้ที่ฉลาดคารวะที่ฉลาดก็พยายามที่จะตัดภารกิจทางการงาน การทำมาหากินให้เบาให้น้อยลงไปด้วยการไม่โลภอยากเ่ิมรวยด้วยการหามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วก็จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ยังโลภ ก, กับการหาเงินหาทองยังอยากมีอยากเป็นอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติมาเจริญนักไป มักผลนิพพานที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็จะเกิดช้าและก็จะเกิดยากดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติต้องเป็นผู้พิจารณาเอาว่าต้องการอะไรกันแน่ต้องการการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องการความสุขที่ถาวรรืยยังต้องการลาบยศสะละเสริญยังต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ก็เป็นทางคนละทิศกันไปคนละทิศกันทางราบยศสารเสริญสุกนี้เหมือนไปทางทิศต้ทางมรค น, นิพานนี้เป็นเหมือนทางไปไปทางทิศเหนืออย่าไปไม่ได้ไปทางเดียวกันถ้าอยากจะไปมรค น, นิพานก็ต้องไม่ไปทางราบยศสารเสริญไปเท่าที่จําเป็นรำมาหาเกินเลี้ยงปากเงี้ยท้องเท่าที่จําเป็น ซึ่งนักบวชก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นเดียวกันเช่นต้องออกบินธบาต ท, ทุกวันมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เป็นการทำมาหากินแบบสะดวกรวดเร็วและง่ายและทำน้อยมากไม่ต้องทำไม่ต้องเสียเวลามากไปบินธบาตชั่วโมงหนึ่งก็กลับมาฉันได้แล้วฉันป ก, ก็ทำก็ออกไปปฏิบัติธรรมได้ ท, ทันที ถ้าเป็นคาราวาส์ญาติโยมก็ต้องทำอาหากินอย่างน้อยวันละแปดชั่วโมงที่ทํางานและยังต้องเดินทางไปกลับอีกวันละสองสามชั่วโมงก็จะหมดไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเกือบสิบสองชั่วโมงแล้วไหนจะต้องหลับนอนอีกเวลาที่จะปฏิบัติก็เลยเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวจึงไม่พอต่อการที่จะทําให้ บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ไม่พอต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคาวาสก็ต้องดูว่าตนเองกําลังเดินไปในทางไหนเดินไปในทางของมรรคแปดหรือเดินไปในทางของาลาภยศสรนเสริญ ไปในทางของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการเดินทางนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต่างกันอย่างญาติโยมวันนี้ถ้าไม่ได้เดินทางมาตามถนนที่มาสู่วัดยานก็จะมาไม่ถึงวัดยานถ้าเดินทางไปถนนที่พาไปสู่สัตหีบก็จะไปถึงสัตหีบแทนที่จะมาถึงวัดยาน ดังนั้นผลที่จะเกิดนั้นเกิดที่เหตุคือการเดินทางของพวกเราการเดินทางของพวกเรานี่แหละที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางต่างๆเราต้องรู้ว่าทางที่เราเดินนี้กำลังพาเราไปที่ใดถ้าเรายังไปในทางของราบยศเสรเสริสุขไปในทางของอบายามุกก็ขอให้รู้เถิดว่าเรากำลังไปสู่ การเวียนว่ายตายเกิดที่ยังไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไปในทางของมรรคแปดเราก็จะกําลังไปในทางของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปทางสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่ความเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรเวลาทำอะไรเราจึงต้องควรคิดควรใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาดูว่า เรากําลังไปทิศทางไหนถ้าเราไปผิดทางเราก็ต้องกลับรถต้องกลับทางอย่าไปต่อเพราะไม่เช่นนั้นเราจะผิดหวังเราจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้กันก็คือความสุขเรากลับจะได้ความทุกข์กันนี่คือเรื่องของทางที่พระเจ้าได้ทรงดําเนินแล้วได้นําเอามาเผยแ ผ, แผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก ให้นำเอาไปปฏิบัติให้เจริญมากที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปะความคิดชอบสัมมากรรมมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาวาสัมมาอาชิโวการมีอาชีพชอบสัมมาวาวายาโมการมีความเพียรชอบสัมมา สติการละเลิกรู้ชอบและสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตชอบนี่คือมักคที่เราต้องเจริญกันถ้าเราเจริญได้แล้วผลก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญกุศลมาเจริญมรรคที่มีองค์แปดในวันธรรมัาสวนะในวันพระนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตะนตรัยและบุญคุลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ